เป็นไเลยเฮ้ยเป็นไงบ้างก็สังเกตละเอียดขึ้นนอะค่ะหวงตาก็ได้เห็นว่าการไปเป็นตัวเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะหรือการที่ไม่เป็นตัวเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงมันเหมือนเห็นว่าอันนี้หลงอย่างนี้ไม่หลงละเอียดขึ้นกว่า เก่าอะค่ะหลวงตาแล้วก็เริ่มเข้าใจที่หลวงตาบอกว่าก่อนหน้า น, นี้เพราะถอยความรู้ตอนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าการถอยเนี่ยคือแค่การปล่อยให้หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นไกานิดเดียวนั่ น, น่ะคือการถอยความรู้เหมือนความเพียรมีความต่อเนื่องมากขึ้นกว่าเก่าค่ะหลวงตาเห็นโทษเห็นภัยของการทิ้งแม้เพียงเสี้ยวขณะจิตเนี่ยก็ มันเหมือนเห็นโทษเห็นภัยมากขึ้นค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นตัวเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะคะลงตาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวตรงนี้สําคัญมากนะตรงที่คาพูดุดวตายเนี่ยสาคัญมากเลยว่าแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นตัวเคลื่อนไหวตลอด เดีวก่อนแสดงว่าในความเข้าใจในความเข้าใจลึกๆเนี่ยผิดแสดงว่าในความเข้าใจลึกๆผิดผิดยังไงคือพยายามจะมาทำให้เป็นมีตัวเราที่ไม่เคลื่อนไหวตัวนี้นี่ผิดผิดผิดเราจะไม่มีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้เลยเพียงแต่ว่า มีสติปัญญาเนี่ยมันมันมันรู้เห็นไปเลยว่าตัวที่มีอาการเคลื่อนไหวแม้แต่เป็นเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นเอาเป็นอกุศลหรือเป็นกิเลสก็เห็นว่าเป็นเป็นสังขารเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกตนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา ไม่มีตัวเราอยู่ในสังขารเหล่านั้นเลยเพรา ะ, ะนั้นจึงไม่มีว่าเนี่ยเราหลงไปเป็นสังขารอีกแล้วเราหลงไปเป็นสังขารอีกแล้วอันถ้าอย่างนี้แสดงว่าในใจลึกๆเขจะบิดว่าจะพยายามแยกตัวเราเนี่ยออกมาจากสังขารให้มาเป็นตัวเราเนี่ยที่ไม่สังขารที่ไม่ปรุงแต่งที่เป็นวิสังขารอันเนี้ยมันจะเป็นอัตตาตัวตนอยู่ตลอดเวลาเลย อันมันมีแต่เพียงว่าคนทุกข์มีแต่เพียงว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งสิ่งที่ไม่ปรากฏขึ้นในใจไม่มีใครเข้าไปยึยดมั่นถือมั่นแต่นี้เราไปยึยดมั่นถือมั่นว่าอ ห, หนูเข้าไปหลงเป็นสังขารอีกแล้วหนูลงเข้าไปเป็นสังขารตอนนี้คอยหลงไว้เป็นสังขารเลยแล้วจะพยายามช่วยตัวเราให้เป็นตัวที่ไม่สังขารคือตัวที่ไม่มีกิริยาการใดๆไม่อาจปรุงแต่งใดๆได้ถ้าอย่างงี้เราทําอย่างเนี้ยเท่ากับปเป็นอาวิชามีความยึดมั่นถือมั่นตลอดเลย เข้าใจไหมเนี่ยมีแต่ว่าทุกขณะจิตปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะเป็นดีชั่วสุขทุ ก, ทกบุญบาปกุศนอนักุศลใดๆก็ตามไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้เข้าไปลองรับสิ้นผู้เข้าไปกินอาการสิ้นผู้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแค่นั้นเนี่ยไม่มีใครที่ไปพยายามแยกตัวเราออกมาจากสังขาร มาทำให้ตัวเราที่ไม่สังขารเข้าใจไหมอ่ะอัดทวนใหม่สิเหมือนกับปล่อยให้ทุกสภาวะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างที่มันเป็นนะคะเพราะคือแค่ทุกขณะที่มันไหวตัวนิดเดียวเนี่ยค่ะแล้วมีตัวเราไปรองรับ อาการใดๆก็ตามเนี่ยอันนี้คืออวิชชาหมดนะคะอ่าถูกต้องถูกต้องค่ะๆๆๆๆแต่ต่อให้เพราะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไปตั้งใจไว้ว่าจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นจะต้องไม่เป็นอย่างดีอาการใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นที่ไหวตัวได้ถูกรับรู้ได้ใดๆก็ตามก็ปล่อยเขาเป็นตามธรรมชาติไม่มีว่าเรายังเป็นอย่างนั้นเรายังเป็นอย่างดี พอะทุกอย่างที่เคลื่อนไหวได้ทั้งหมดคือสังขารด้วยใจที่เข้าใจแล้วก็เข้าใจอยู่อย่างนี้ทุกขนาปัจจุบันอย่างนี้ไหมคะหลวงตาเอ อ, เ อ, อคาพูดเมื่อกี้อ่านเหมือน ท, ท, ที่ระหว่างจะผิดพลาดคือว่าตับใดที่สังขารปรากฏแล้วก็มีตัวเราเข้าไปยึดถือมีตัวเราเข้าไปรองรับอันนั้นเนี่ย มันเป็นสังขารมันเป็นอวิชชาอาวิชชาเฉพาะที่ตรงนี้สำคัญนะอวิชชาเฉพาะความไม่รู้ตัวตรงนี้ตรงนี้สำคัญมากนะเนี่ยหัออวใจเลยคือคาพูดเมื่อกี้ที่ว่าถ้าขณะจิตใดเนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นดีชั่วสุขทุกข์ ปุลบากรุษนากรุษรักจังเกิดขึ้นในใจทุกขณะปัจจุบันและทุกขณะเสี้ยววิธีนั้นไม่มีใครเข้าไปยึดถือมีปัญญาที่เห็นว่าไม่มีใครเข้าไปยึดถือไม่มีใครเข้าไปรองรับไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไอตัวเนี้ยมันก็จะไม่มีผููทุกมันจะไม่มีมันจะไม่มีผู้ที่เข้าไปผสมลงไม่มีตัวเราเข้าไปผสมลงมันก็จะไม่มีไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์อะไรแต่ถ้า อันนี้พอมีการอะไรเกิดขึ้นอ้าวมีตัวเราเข้าผสมลงแล้วมีตัวเราเข้าผสมลงแล้วมีตัวเราเข้าไปผสมอีกแล้วจะทําให้พยายามให้ไม่ตัวเราไม่ไม่มีตัวเราเข้าไปผสมลงเพราะเราเข้าใจว่าอ่ะมีตัวเราเข้าผสมลงเป็นอวิชชาพยายามจะทําให้ไม่เป็นอวิชชาคือจะทําให้ไม่มีตัวเราเข้าผสมลงไอ้อย่างนี้เอวิชชาตลอดเลยแต่ถ้ามันมีอาการใดๆก็ตามอ่ะทุกขณะปัจจุบันอ่ะตามความเป็นจริงหรืออย่างตรงไปตรงมาที่ท่านว่ารู้ซื่อซื่อซื่อซื่อหรือสัตว์ประหลุตามความเป็นจริง อันเนี้ยคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยทุกขณะในจิตขณะปัจจุบันน่ะไม่มีความพยายามที่จะไม่ให้เราเนี่ยไม่เข้าไปยึดถือถ้าในขณะจิตไดถ้ามีความพยายามที่จะไม่ให้ตัวเราเข้าไปยึดถืออันนี้คือยึดถือเข้าใจไหมเนี่ยอันนี้ละเอียดมากนะก็ใครที่ฟังไม่เข้าใจก็ทนฟังไปก่อนนะ <laughs> เดี๋ยวก็คอยถึงรอบเราแล้วก็ถามมง ไอ้ความพยายามอะค่ะหลวงตาการคือในใจเนี่ยมันเหมือนมันมีความหนืดความหน่วงหน่อยหนึ่งอันคือที่มันเคลื่อนนิดหนึ่งอะเนาะค่ะที่มันหนืดหนืดหน่วงหนวงแล้วเราไปคือเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยมันคืออะไรเนี่ยก็คือสุดท้ายไม่ต้องรู้ว่ามันคืออะไรแร้วเพียงแต่ว่าไม่มีใครก็ไปรองรับไม่มีใครก็ไปยึดบ้านถือบ้านมันมั น, ม น, จ, ะนจะหนืดจะหน่วงยังไงก็จะมันจะเบาจะไม่ จะสบายไงก็จ้างว่าไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรเพราะว่าถ้าเขาไปหาเหตุผลคือยึดบั่นถือมั่นเข้าใจเนะเอาคนณเอ็ดบ้างเอะทําไมต่อเลยเอาหมอส่งต่อไม้ต่อเอาเอาตรงนี้ยาวส่งเลยเอ่ะขำฝากเลยครับเออผมจะขอบอกบอกชื่อหน่อยนะบอกชื่อกันหน่อยจะได้ผมวิสุทธ์ครับอ่าจัดนะครับ คือผมมีความสึกว่าบางครั้งเนี่ยอย่างถ้าเร า, ามีอารมณ์ปิติหรือว่าอารมณ์โกรธเนี่ยพอเรานึกถึงว่าเอ๊ะเรารู้ว่าเราเป็นอารมณ์โกรธปั๊บเนี่ยตัวโกรธนี่หายไปเลยอันนี้ถือว่าใช่ไหมฮะอันนี้หรือว่าปิติบางทีปิติอะไรบางอย่างอยู่ที่เรากำลังมีความสุขอยู่ดูทีวีดูอะไรต่างเราออันนี้เรานึิดว่าเอ๊ะตอนนี้เรามีอารมณ์ที่ปิติอยู่พอนึกถึงปั๊บมันหายไปเลย อันนี้ใช่มเป็นสิ่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือมันเป็นในเป็นปิติก็เป็นปิติแต่ไม่มีใครเข้าไปยึดถือปิตินั้นไม่มีใครพยายามไปดับปิตินั้นเออมันเป็นปิติก็เป็นปิติแล้วก็มันโกรธถ้าเร็วนะจิตมันเร็วมีอารมณ์ขึ้นมาครับมันไม่ไปสนใจลมโกรธนั่นหรอกไม่ไปสนใจลมปิติเลยไม่ไปทําให้ตัวอารมณ์โกรธหายไปไม่ไปทําให้ลมปิติหายไปคือ มันจะรู้เท่าทานตัวต่อตัวหลังตลอดคือตัวปัจจุบันน่ะตัวที่ไปรู้แล้วมันมันมันพูดไปยังไงมันตึกต่อไปยังไงไปรู้อารมณ์โกรธแล้วตัวหลังมันพูดวไปยังไงตัวที่รู้ปัจจุบันนั้นน่ะพอรู้ตัวปัจจุบันปุ๊บไปรู้ว่ามีอารมณ์โกรธขึ้นในใจไอ้ผู้รู้ปัจจุบันนี่ยมันพูดว่ายังไงตึกต่อไปยังไงรู้ตัวปัจจุบันพอไปรู้ปิติปิติเกิดผู้รู้ปัจจุบันเนี่ยมันพูดไปยังไงตึกต่อไปยังไงแต่โยมวิสุทธิ์เนี่ยคือไปรู้แแแแตตตต่่่ปปปปิิิิรรูู้้้โโกกพออหหาายยไไลลวเ แต่ไม่รู้ว่าอที่มันอันตรายเราพูดว่าเออปิติหายไปไอ้ปิติมันหายไปได้อย่างไรเอ้านี่โกรแล้วโอ้เราลูว่ทาทันปุ๊บโกรธหายเลยไม่ไม่เห็นในตัวที่พูดอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาเลยต้องต้องทันตัวปัจจุบันขนาดจิตปัจจุบันถ้าเราเนี่ยไม่ทันปัจจุบันจะเป็นไปไปรูป้อดีตไปไปอ่าไปหมกมุ่นกับอดีตคือโกรธมันหายไปแล้วแต่เราโม่แต่มามาคิดอยู่นั่นแน่ว่าโอ้เห็นไหมพอเรารู้ทันโกรธมันหายไปเลยเรานึกว่าอย่างเนี้ยเรารู้ทันแล้วแต่ความจริงรู้ไม่ทันเพราะว่าอะไรเราไ ป, ลปลหไปล นี่ปิติเอาพปิติพอรูปิติเอาปิติดับแล้วโอ้นี่เรารู้ทันปิติดับเอ๊ะอย่างนี้อย่างนี้ปิติมันดับไปแล้วเนี่ยเราทําถูกหรือผิดเนี่ยพอรู้ปุ๊บปิติมันเลยดับไปเลยเนี่ยแต่ท่นนี้ปิติมันดับไปแล้วเนี่ยมันมันเป็นอดีตไปแล้วแต่ปัจจุบันเราบ่นอยู่นี่ว่าเราพูดเดี๋ยวเราวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อยู่ว่าตึกต้องอยู่ว่าเอ๊ะปิติดับไปแล้วเนี่ยมันถูกหรือผิดเนี่ยความจริงเราต้องมาเห็นในตัวที่ปัจจุบันที่เราพากว่าเอ๊ะปิติดับไปแล้วมันถูหรือผิด หรือโกรธมันดับไปแล้วนี่ถูกหรือผิดเนี่ยไอ้อย่างนี้มันมันเป็นวิธีที่ปฏิบัติถูกหรือเปล่าเราต้อกดจิตหรือเปล่าเราก็รู้ปัจจุบันเรื่อยไปอ่ะมันจะพูดไปยังไงก็ช่างเอะแต่เราก็จักแต่วาราู้จักรวารลู้เรื่อยไปเรารู้ซื่อๆตะพุทธพื อ, อจิตปัจจุบันรู้ซื่อจิตขณะปัจจุบันรู้ซื่อๆจิตขณะปัจจุบันที่มันพูดได้บนได้วิเคราะห์ได้แต่ถ้าอันไหนมันดับไปแล้วแล้วเราก็โมแต่ไปยุ่งกับมันไอ้อาการที่โกรธดับไปตั้งนะนดับไปแล้วพิธีดับไปแล้วแล้้วเเราาก็ออย่งงี เราไปรู้ถูกหรืป course, อปิดเนี่ยพิติมันเลยดับไปเอ๊ะโกรธดับไปเราไปดูสนใจแต่อาการที่มันดับไปแล้วอย่างเงี้ยอดีตเป็นธรรมเมาคือไปสนใจแต่อาการที่มันเป็นอดีตที่ดับไปแล้วไม่รู้ปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นเนี่ที่เป็นธรรมะธรรมเมอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมารู e> ้จ um ิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันรู้ตรงจิตรู้จิตขณะปัจจุบันรู้จิตขณะปัจจุบันที่มันพูดได้บนได้เพราะมันรู้อะไรจิตก็คือผู้รู้นี่แน่ผู้รู้ปัจจุบันนี่แน่ที่พูดได้บนได้ตึกตองได้วิเเเเครรราาาาะะะห์ว่่่อออออไไปป็นยงล หาถูกหาผิดหาเหตุหาผลแล้วก็รู้จิตปัจจุบันแต่ก็สักตะ บ, บรู้แค่นั้นเนไม่ได้ไปดับอะไรเข้าใจหมเข้าใจครับเข้าใจเดี๋ยวตัวหน่อยสิว่าอย่างไรเข้าใจจริงก็เปล่าเ ข, ข้าใจคือ <c oughs> คือให้ให้รู้ในจิตปัจจุบันว่าพอพ อ, พอเรารู้ปั๊บเนี่ยเรายังรู้ว่าเออตอนนี้เราคิดคิดว่าอะไรโกรธนโกรธโกรธเอ๊ะทำไมมันมันดับไปดับไป ดับไปยังไงแล้วเราคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันโกรธจากอะไรอย่างนั้นแหละแล้วทันจิตปัจจุบันเรื่อยเนี่ยเราจะไม่หมกมุ่นกับอดีตแล้วจะไม่อะไรมีปัญหากับใจเลยเพราะอะไรมันเป็นจิตปัจจุบันเรื่อยไปเลยไอ้ผู้รู้ผู้รู้อันใหม่ปัจจุบันมันก็ผู้ใหม่วิเคราะห์ใหม่แล้วก็สักตะวัรู้จิตปัจจุบันเรื่อยไปมันจะไปไม่มีปัญหากับอดีตเลยครับผมชื่อพูลินครับคือว่าอะไรนะ ชื่อพูลินครับพูลินพูลินบุรินอ่นนะครับคือว่าผมยังไม่เคยปฏิบัติทำเลยครับอยากให้หลวงตาช่วยชี้แนะน่ยครับว่าจะจะปฏิบัติเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงมั่งก็ต้องเอา c ีดีไปฟังซีดหนังสือฟังตั้งใจฟังให้ดีฟังตั้งแต่แผ่นแรกเลยฟังไปให้เข้าใจทุกแท็กเราตั้งใจนะนึกในใจเราที่ฉันว่าเราจะต้องฟังให้ได้สวดมนต์ไหวพระเสร็จก่อนนอนต้องสวดมนต์ไหวพรา ฟลตร น, นอนเช้าก็ได้สวดมนต์ไหว้พระต้น อ, อย่างน้อยต้องฟังให้ได้วานละแท็กซีดีเนี่ยฟังให้ได้บันละแท็กทำความ้าใจให้ดีอย่าแบบว่าปล่อยเปิดผ่านไว้เฉยพอสวดมนต์ไหว้พระเสร็จตั้งใจฟังให้ดีๆว่าให้ฟังให้ได้อย่างน้อยวานละแท็กเนี่ยซีดีที่ให้ไปสามแผ่นเนี่ยแล้วหนังสือสองเล่มเนี่ยอ่านให้เข้าใจแล้วตั้งใจฟังแล้วถ้าฟังไม่เข้าใจก็อธิษฐานจิตล้างมิชฉาทิฏฐิ นึกถึงว่าพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพรคุบปิามดาคุบาจานบุญบารมีขอล้างล้างอะไรก็ตามที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมามาปิดกั้นทำให้ไม่ธรรมะไม่เข้าถึงใจทํามของพรพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไม่ถึงใจใจไม่เข้าถึงทําไม่สามารถฟังธรรมเข้าใจถึงใจอธิษฐานล้างทิ้งแล้วก็อธิษฐานให้ธรรมเนี่ยเข้าเข้าถึงใจให้รู้แจ้งที่ใจไม่ต้องให้ผ่านสายตรงเข้าเลยเข้าตรงในใจเลยให้ผ่านสายตรงเลยที่ก็ที้ก็โยมสายตรงสายตรงเลยเข้าเข้าสายตรงที่ใจเลย นะไม่ต้องไปผ่านกระบวนการย่อยโดยระบบสติปัญญาเอาสายตรงเข้าสู่ใจเลยให้รู้ที่ใจเลยรู้แจ้งที่ใจอธิษฐานนี้แล้วก็ฟังอย่างน้อยให้ได้อย่างน้อยวันละแท็กเข้าใจไหมเพราะว่าเหตุใดต้องให้ฟังอย่างน้อยเวละแทรกก็เพราะว่าสามแผ่นนี้มันเฉพาะแผ่นสามนี่เก้าสิบเก้าแท็กถ้าหนูฟังฟังละแท่นเฉพาะแผ่นสามก็ร้อยวันสามแผ่นสามร้อยวันก็ปีพอดีก็ื่จะฟังจบอะต้องต้องสปีดหน่อย เออต้องสปีดหน่อยแล้วเร่งทำให้เขาเข้าใจนะเนข้ก็จะจะดูก็จะเข้าใจเองหรอืมเพราะว่าก็มีพื้นอยู่มีพื้นแล้วจะฟังเข้าใจแต่ถ้าเริ่มฟังแผ่นสามจะไม่เข้าใจของหนูเนี่ยหนูต้องเริ่มฟังตั้งแต่แผ่นแรกจึงจะเข้าใจอ่ะอักลิน กนิกาอียิปิชาติค่ะคือกนิกาอาจจะคือเวลาปฏิบัติไม่ไม่กะเรเสียงใหม่ไม่ค่ยดังไม่ทราบว่าต้องทำยังไงก็ได้<อ>แต่เจอเ <ละ S 2> จ, จอสภาวะอะไรก็คิดว่าอันนี้เป็นเป็น ป, นปิยาของขันห้าเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นผูท้ทาเราเราไม่มีตัวอ่า ไอ้ที่อะไรที่เกิดขึ้นมันมันเป็นกิริยาของขันห้าเลยไม่ไปนสนใจมันอืมอันนี้จะถูกไหมจ๊ะค่ะคือมาได้มาได้ใกล้เคียงมากเลยนะเอายุเท่าไหร่แล้วมามาได้ใกล้เคียงขนาะดเนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้เจสิบสี่แล้วเจ๊ะค่ะเจ็สิบสี่โอ้มาได้ใกล้เคียงมากฝ่าคนที่อายุมากขนาดนี้มาได้ใกล้เคียงนี้นี่มินเมย์พ้นทุกข์ได้เลยนะเนี่ยนิดเดียวเนะีไย ใกล้เคียงมากเลยถูกต้องนะที่เห็นอย่างเงี้ยแต่มันมีอีกเดียวที่จะต้องทำความเข้าใจคือว่าที่รู้ที่เห็นมาเนี่ยถูกต้องหมดแล้วละ่ะแต่มีอีกอันหนึ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นก็คือว่าโอเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าทุกอย่างตัวเราไม่มีแต่ปรากฏว่ากลับเป็นการด้วยว่าไอ้ที่ที่รู้ที่เห็นที่เป็นอยู่เนี่ยคือมีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้เป็นไม่มีตัวเราเป็นผู้รูอ้อแต่ พอมีความเข้าใจมีความรู้แจ้งกลับเป็นตัวเราเป็นผู้เข้าใจตัวเราเป็นผู้แจ้งเวลาเป็นผู้รู้ไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนของผู้รู้ไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้จริงมันไม่ถูกต้องแต่กลับว่าพอเป็นผลแล้วเนี่ยที่เกิดจากการปฏิบัติมีสภาวะอะไรต่างๆมีความรู้ความเห็นเข้าใจเป็นผู้รู้แจ้งกลับกลายเป็นว่าผู้รู้แจ้งผู้ที่รู้ที่เห็นเข้าใจนั้นกลับเป็นตัวเราเป็นผู้เป็น เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะคือคือรู này, ỏi, ỏi này, ้ว่าตอนนี้กําลังทุกเรื่องอะไรเอ้ยทุกนี่มันก็ต้องเอาคือคือรู้ว่าตอนนี้กำลังทุกเรื่องอะไรอก็เลยบอกว่าเออทุกนี่มันของขันท้ามันน่ะนะ่อยๆวางซะบ้างเถอะอะไรอย่างเงี้ยน่ะอืม กะแล้วไงก็วางรู้สึกยังวาไม่หมดนไงคือคือคือผู้ที่รู้แจ้งผู้ที่เข้าใจอ่ะกลายเป็นเราเป็นผู้รู้แจ้งเราเป็นผู้เข้าใจเราเป็นผู้เข้าใจเราเป็นผู้วางเออเราวางราวางเรื่อเราวางเรื่หมด เราคิดว่าเรายังวางไม่หมดนี่คือติดอยู่ใช่ไหมฮะคือติดว่าเราเนี่ยก็คือเป็นเราอะเราเป็นผู้ <Dick. S 1> วางคือวางเนี่ยถูกต้องแล้วในถูกต้องแล้วในการวางเนี่ยก็คือว่าวางได้ถูกต้องมากเลยชัดเจนมากถูกต้องแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่วางคือยังไม่วางตัวเราผู้ไปวางตัวเราผู้วางแล้วแล้วตัวเราผู้ไปวางเนี่ยแล้วตัวเราผู้อ่ะตัวเราผู้วางแล้วนเนี่ยเี่ยแต่ไม่ได้วางมีความรู้สึกกับตัวเราเป็นผู้คอยวางตัวเราเป็นผู้คอยวางตัวเราเป็นผู้คอยปล่อยวาง ยังไม่วางตัวเราปล่อยวางตัวเราผู้ผู้คอยปล่อยวางเข้าใจไหมเข้าใจจะผ่านตอนนี้มันจะมีตัวถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม่ปล่อยวางตัวเราผู้ปล่อยวางมันจะมีตัวคํานึงคิดคํานึงคอยตรวจสอบว่ามีอะไรจะต้องวางมีอะไรจะต้องคอยคอยวางมีอะไรเกิดขึ้นคอยวางมีผู้ไปคอยคอยดูคอยรู้คอยเห็นคอยวางคอยตรวจสอบวางหรือยังวางแล้วก็ คอยตรวจสอบว่าวามหมดยังไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่ได้วางให้ผู้คอยตรวจสอบเนี่ยมันยังไม่ได้วางวางซะเลยทีตอนเนี้ยวางได้ไหมวางไปให้ผู้ตรวจสอบเนี้ยวางหมดเลยผู้ตรวจสอบเนี้ยผู้คอยตรวจสอบนี้วางวางได้ไหมตอนเนี้ยวางไปเลยไปแบกว่าทําไมแบกว่าเราต้องคอยเช็คคอยตรวจสอบอวางหรือยังหรือยังไม่วางมีอะไรยังไม่วางไอ้ตัวนี้ยมันยังไม่วางไอ้ตัวผู้ตรวจสอบเนี้ยมันไม่วางตัวมันเอง วางจะถามไม่อยากรู้อะไรแล้วืองงไหมงงเหรองงหรอไม่เหมือนวางไมลงทีฝางวางกับพุ่วางกับพื้เลยนั่นแน่วางเหมือนวางไม่น่ยวางไปเลยไม่ต้องไปคิดจะถามอะไรไม่ต้องคิดจะรู้อะไรเหมือนวางไม่ทิ้งไปอย่างนั้น วางแล้วไม่คิดจะถามอะไรแล้วไม่คิดจะรู้อะไรอีกวางแล้ววางเลยหยิบไปแล้วิดจะจะถามพอาจารย์ว่าทนี้มันวางยังอ้าวนี่นีนนี่นี่นี่ใจนะพอพอพอวางแล้วนะแล้วบอกว่าวางไปแล้ววางพูดตรวจสอบไปแล้วพอวางเสร็จอ่ะแด้ยวหยิบไปขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะถามอาจารย์ว่า วางแล้วอย่างไนเงี้ยวางหรือยังอย่างนี้ถ้าวางไหมเนี่ยไม่วาง <c oughs> เอาวางไปแล้วจะมาตรวสอบอีทำไมว่าอาจารย์ช่วยต่อสอบแล้อย่างนี้วางอย่างแสดง ว, ว่ายังห่วงใ ย, ยอยู่จะมีความห่วงใหยยังมีเยื่อในใยจิตอยู่แล้วพยายามใช่อาจารย์ตรวจสอบจิตหรือว่าวางหมดหอยังเนี่ยนยังไม่วางยังไม่วางยังไม่วางพูดตรวจสอบ ให้เห็นว่าผู้ที่ตรวจสอบนั่นวางไม่เป็นก <w ain S 1> <od> ็เห so ็นว่าผู้ตรวจสอบนั่นเป็นสังขารแล้วสิมันเป็นสังขารพุงแต่งผู้ตรวจสอบเนี่ยผู้ที่ไม่ยอมวางเนี่ยผู้ว่าค่อยเช็คคอยตรวจสอบคอยระวังค่อยระแวงว่าอาจารย์เนี่ยมันวางนี่อย่างไหนวางถูกหรือเปล่ามันทํำผิดถูกก็ผิดเนี่ยอะไรเนี่ยถ้เห็นว่าความรู้สึกอย่างเนี้ค่อยกังวลค่อยตรวจสอบเนี่ยมันเป็นสังขารพุงแต่งไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแลวสิแล้วทุกอย่างก็โดยแต่ความสงบระวางเปล่า แต่ตอนนี้ยังมัยังกลายไปเป็นตัวคิดตัวคำหนึงอยู่นล้วเนี่ยตัววิตกวิเคราะห์วิตกวิจารณอยู่เนี่ยมันไม่ได้เหลือแต่ความสงบและความว่างเปล่าจริงๆว่างเปล่าจากความคิดความคำหนึงความวิตกแต่ในใจมันมันจะมีความคิดความคำหนึงมีความวิตกอยู่มันยังไม่ปล่อยวางภาระทั้งมวลอ่ะตรงเนี้ยมันยังมีความหนักหนักอึ้งในใจได้นะอย่างเงี้ยเรายังไม่วางปล่อยวางภาระทั้งมวลจริงๆ วางแล้สิมันเจ็ดสิบเท่าไรแล้ว่ะเจสิบสี่นะเจ้าเจ็ดิบสี่เดี๋ยวไม่ทันอะวางแล้วางเลยลยอมวางวางขาดเลยวางเสไรเดี๋ยวมัเหลือแต่ความสงบและความวา่างเปล่าแค่แนะั้นแหละไม่มีความคิดความคำนึงความวามมิตกอะไรอยู่ในใจเลยวิตกวิจารในในใจไม่มีวางขาดเลยปล่อยวางขาดเลยเพราะเจ็ดสิบสี่แล้วเดี๋ยวไม่ทันพอวางแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็จบแล้ว จบความปรุงแต่งจบความวุ่นวายจบความคิดความคำหนึง่งจบความกังวลโดยือแต่ความส ง, งบและความว่างเปล่านาทีสันติประลังสุขขันธสุขใดจะเหนือกว่าใจที่ส ง, งบจากความปรุงแต่งเป็นไม่มีบางครั้งเหมือนก็มันจะคิดแคว่ว่าเรากังวลแล้วทุกวันนี้เราอยู่เพื่อแค่รอวันตายแค่นี้เอง มีความรู้สึกแบบนี้ อ, อืมเปนอ่างั้นแหละแต่มันยังมีก็ละวางแต่มัาไม่หมดนะจริงๆมันยังห่วงอยู่มันยังคิดกังวลห่วงใยเราเราห่วงใยตัวเราเองเอ๊ะห่วงใย จ, จิตห่วงใยตัวเราเอ๊ะเราวางหมดหรือยังหรือเรายังไม่วางเอ๊ะนี่เราวางถูกหรือผิดเราผิดการวางของเรามันถูกหรือผิดอย่างนี้แสดงว่าเราไม่วางแนละ้วเนี่ยเข้าใจไหมนะคนอื่นเขา <c oughs> ฟังอย่างนี้เขก็รู้ว่ายังไม่วางเพราะว่าเรายงัง มีความคิดความคำนึงความห่วงใ ย, ยตัวเราเองมันยังไม่วางตัวเราเองอ่ะมันยังยึดมั่นถือมันห่วงใ ย, ยตัวเราเองอยู่เนี่อย่างนี้อาจารย์ช่วยดูหน่อยดีหนูวางอที่ฉันวางวางหมดหรือยังเนี่ยอย่างนี้แสดงมันยังห่วงใ ย, ยตัวเองมันยังมันยังเยื่อใยยังอะไรเอาบอตัวเองมันยังไม่ขาดจากความเยื่อใหยอะไรเอาบอที่ท่านว่าวางวางหมดคืออนาลายโย อ, อย่างชาวยาลุงตาขี่นาลายโยคือวางหมดเลยผู้สิ้นอาไล ผู้สิ้นอะไรเอาวอไม่ห่วงใยตนเองอีกแล้วปล่อยไปเลยปล่อยตัวเองขาดเลย ต, ตายก็ไม่กังวลแล้วตอนนี้ยจะปล่อยวางขาดอนารโยคืออะนาเนอะอนารโยคืออะไรอ่ะอนารโยผู้ไม่อะไรขีนาโยคื อ, อ, คอผู้ปราศจากแล้วซึ่งความอะไรเข้าใจไหมวางไม้คนอื่นเขาอย่าไปหยิบ ม, มาเองนะ